อยากได้มนยายธรรมะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพุทธบริษัททั้งหลายการปฏิบัติธรรมมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่า การที่เราจะมาท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะไม่รู้แจ้งในธรรมไม่รู้แจ้งในธรรมคาสอนของพุทธเจ้าขบุคคลเมื่อไม่รู้แจ้งในคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไปทําบาปบ้างทําบุญบ้างบนเปรกันอยู่งั้นเนี่ย การทำบุญนี่มันมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพแม้ว่าพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นในโลกก็มีการทำบุญให้ทานกันอยู่นั่นแหละการรักษาสินห้าอย่างนี้มันก็มีมาแต่ดึกดำบรรพเหมือนกันหมายความว่าใครมีศรัทธาเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปแล้วก็ ผู้นั้นก็จะเป็นผู้รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ไปเพราะว่าเชื่อว่าศีลห้านี่เมื่อรักษาให้บริสุทธิ์แล้วก็จะเป็นบุญเป็นกุศลจะไม่มีบาปเกิดขึ้นมาแทรกแซง <c oughs> และบาปนั้นอํานวยผลให้เป็นทุกข์มันก็รู้ก็เชื่อคนบางยุคบางสมัย ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกก็ตามแต่ว่าการภาวนานี่แหละมันมันไม่ค่อยมีการสั่งสอนกันไม่มีการอบรมกันมีแต่พวกเบื่อหน่ายในการครองละครองเรือนครองบ้านครองเรือน แล้วก็หนีเข้าป่าไปอประพฤติตปะธรรมเรียกว่าเจริญฌานอยู่ในป่านด้แก่พวกฤาษีดาบดอย่างนั้นมีการภาวนากันแต่ชาวบ้านอพวกของเรือนทั้งหลายไม่เข้าใจเนื่อว่าการภาวนานี่เป็นเป็นเรื่องของนักบวชโดยตรงมันเข้าใจกันไปอย่างนั้นเพราะนั้นผู้ ใจบุญอย่างมากก็ได้ให้ทานในรักษาสินห้าเท่านั้นเองเนี้ย <c oughs> ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าของเราอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกแล้วในพระองค์ยังมาทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ทั้งสามประการสามประการนี้ทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญพร้อมกันไปเลยอย่างนั้น พระองค์ได้รู้แจ้งแล้วว่าเมื่อได้บำเพ็ญข้อปฏิบัติสามประการนี้ให้พร้อมกันไปก็จะเป็นเหตุให้บุญกุศลเจริญงอกงามขึ้นในจิตใจแล้วบุญกุศลนั้นก็ไม่เสื่อมด้วยถ้าว่าขาดภาวนาแล้วไม่แน่บุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานการรักษาศีลโมนั้นอาจเสื่อมไปเมื่อใดก็ได้ เพราะเหตุว่าไม่ได้รักษาจิตใจของตนเองไม่ได้ควบคุมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเช่นนั้นแหละเมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งเข้ามาจิตใจก็วันไว้ไปจิตใจเป็นอกุลขึ้นมาเช่นโกรธโลภขึ้นมาในใจอย่างนี้นะเป็นเหตุให้ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสะตื่นไป อย่างนี้แล้วก็ทำให้บุญกุศลนั่นเสื่อมคลายออกไปจากกิจใจเพราะว่าใจมันน้อมไปในทางบาปอากุศสดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงเรื่องภาวนาเนี่ยเข้าด้วยเป็นสามประการเพื่อให้พุทธบริษัทได้ลงมือปฏิบัติตามและให้บุญกุศลมันตั้งมั่น อยู่ในจิตของตอนไม่ให้เตอมอันนี้เพราะฉะนั้นพุทธบริษัทควรพากันพิจารณาให้ดีไอเรื่องข้อปฏิบัติสามประการนี่นะและมันเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติคือไมายความว่าบุคคลผู้ที่เบื่อต่อความทุกข์ต้องการความสุขอันเป็นแก่นเป็นสาร ก็จำเป็นที่จะต้องบำเพ็ญข้อปฏิบัติตามประการนี้ให้พร้อมๆกันไปก็จึงสามารถที่จะปิดกั้นบาปอากุศลไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจได้แล้วสามารถบำเพ็ญกุศลไปได้สะดวกสบายไม่ไม่มีอุปสรรคขัดข้องอะไรการที่บุคคลเราจะบำเพ็ญบุญกุศลไปสะดวกสบายไม่ได้ ก็เพราะมันมีบาปนี่เองแหละมาขัดขวางเป็นอย่างนั้น <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นเมื่อบุคคลเริ่มจัดการงานการบูญการกุศลขึ้นมาอย่างนี้นะบางทีก็มีคนมายั่วยวนชวนให้ทะเลาะวิวาด <c oughs> เมื่อผูใ้ใดอดทนต่ออำนาจของความยั่วยวนอันนั้นไม่ได้มันก็เลยไปทะเลาะวิวาสกับเพื่อนเข้าไปจิตใจก็เลยมัวหมองด้วยความโกรธนี่เป็นอย่างนั้นอันบุคคลผู้ที่ไม่สำรวมตนไม่สำรวมจิตใจนะเพราะว่าบุญับารนี้มันเป็นศัตรูต่อกันและกันมาในชีวิตของบุทุชนคนเรา ไม่ว่ายุคใดสมัยใดผู้ที่ยังไม่ได้รู้แจ้งในธรรมของจริงแล้วมันจะต้องยึดเอาไว้ทั้งบุญทั้งบาปาจิตใจของคนเรานี่นะบุญก็ยึดเอาไว้บาปก็ยึดเอาไว้อย่างนี้แหละเช่นบุญใจบุญนั่นนะบางคราวจิตใจก็มีเมตตากรุณาอยากจะให้ตนและผู้อื่นเป็นสุข หรือว่าเห็นใครได้ประสบภัยพิบัติอันตรา ย, ยาต่างๆเนี่ยก็เกิดเมตตาสงสารช่วยเหลือเต็มที่อย่างนี้เนี่ยมันมีอยู่นี่แหละข่าวใจบุญกระใจบุญไปอย่างนี้มาเ น, นี่อ้าวถ้าใครทําอะไรไม่ถูก อ, อกถูกใจเข้ามาก็ไปต่อว่าต่อค้านเขากระเทาะกันขึ้นโกรธดีวัดบาดหมางตึงกันเลยกัน ทำความทุกข์ให้แก่กันและกันไปอันนี้แหละธรรมดาจิตใจที่ไม่ได้ฝึกผลอบรมนี่นะมันยึดเอาไว้ทั้งทางบุญและทั้งบาปแล้วผลที่จะได้รับเกิดมาแต่ลราชาติก็คือสุขกับทุกข์แทนที่ว่าจะได้รับความสุขสม่าเสมอไปไม่บางคราวก็ เมื่อความสุขนะ้มันหายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนในชีวิตของคนหนึ่งๆไม่มากก็น้อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแหละผู้ใดทาบุญมากก็มีความสุขมากทําบาปน้อยก็ได้รับความทุกข์ตามน้อยอย่างนี้นะผู้ใดทําบาปมากทําบุญน้อยก็ต้องได้รับความทุกข์มากได้รับความสุขน้อย ถุกทุกนี่เกิดมาจากบุญและบาปพูดสั้นๆนะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เกิดมาจากอย่างอื่นแต่ว่าคนบางคนไม่พิจารณาเรื่องบุญบาปนี้ให้แจมแจ้งแล้วถ้าเห็นคนอื่นมารังแก้ตนมาเบียดเบียนตนก็ก็ไปโทษคนนั้นแหละว่าคนนั้นนหะไม่ดีมาเบียดเบียนเราให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อน หาได้มาคำหนึงถึงตนไม่ว่าเพราะอะไรคนนั้นถึงได้มาเบียดเบียนตนบางทีตนก็ไปทําอะไรให้เขาไม่พอใจในปัจจุบันนี้แหละเขาก็ผูกใจเจ็บไว้ได้โอกาสเขาก็เล่นงานตนถ้าว่าตนไม่ได้ทําอะไรเขาเจ็บอกเก็บใจในปัจจุบันนี่ก็ะสะแสดงว่าตนได้ทำกรรมชั่วมาแต่ก่อนได้เบียดเบียนบุคคลอื่นมาแต่ก่อน อย่างนี้คมนั้นจึงได้ตามมาสนองเอาทำให้คนลังเกียจเบียดฉันหาทางอิจฉาเบียดเบียนถ้าว่าผู้ใดมาทวนกระแสจิตเข้ามาพิจารณาตัวเองเข้าไปได้อย่างนี้มันก็จะไม่โกรธตอบคนนั้นเลยก็จะนึกในใจเลยเลยว่าเราเอาโหสิกรรมให้นะเพื่อนนะ ตั้งแต่นี้ไปจะได้มีเวรต่อกันและกันเลยขอให้ได้เป็นมิตรเป็นญาติกันไปร่วมกันสร้างบุญบารมีเพื่อหาทางให้พ้นจากทุกข์ดีกว่าที่เราจะมาผูกเวรกันนี่ถ้าอธิษฐานในใจขึ้นไปอย่างนี้แล้วกรรมเวรเหล่านั้นมันก็ต้องเบาบางลงแหละเพราะมันมันไม่มีการเพิ่มเติมเข้าไปอีกเมื่อมันให้ผลไป สุดเขตมาแนละ้วมันก็ระงับไปกรมเว้นมานั้ว น, นะรมเว้นบางอย่างมันอาจให้ผลไปในระห ว, ว่างที่มีชีวิตยอยู่นี่นะชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หายไปหมดไปมันไม่ให้ผลจนตลอดชีวิตก็มีแต่ว่าคำชั่วบางอย่างมันไปให้ผลเอาเวลาแก่ชราภาพลงไป จนจะหมดอายุสังขาร น, นั้นก็มีถ้าตายอย่างนั้นแล้วมันก็ให้ผลไปจนตลอดหมดลมหายใจเข้าออกนู่นแหละ <c oughs> เป็นอย่างนี้เราต้องอ่านดูชีวิตนี่ให้มันออกให้มันเห็นแจ้งด้วยตนเองอถ้ามันเห็นแจ้งด้วยตนเองอย่างว่านี่แล้วมันก็เบื่อแล้วเบื่อบาปคนเราก็ไม่ทำบาปแหละ <c oughs> ถ้าว่าเหตุผลดังกล่าวมานี่ไม่แจมแจ้งขึ้นในจิตใจของใครแล้วผู้นั้นจักไม่เบื่อบาปหรอกเมื่อเจอบาปมันก็จะทำบาปได้เลยเป็นอย่างนี้คนบางคนนะไปวัดสมทานศินลแล้วกลับไปถึงบ้านมันนี่ก็มีงานไปปักดำนากันบ้างบอกไปเกี่ยวข้าวบ้างแ่ะ อ้าไปเห็นปลาอยู่ในน้าเมันเกิดอยากกินเนื้อมันขึ้นมาแล้วก็ไปจับมันมาฆ่าต้มแกงกินเสียทั้งที่รับสินจากวัดไปโยกโยกแล้วอย่างนี้มีอยู่ท้อไปะเพราะฉะนั้นสินอันนี้มันจึงชื่อว่าเป็นสินชั่วคราวหนึ่งชั่วระยะที่อยู่ในวัดนั่นแหละเมื่อออกจากวัดแล้ว ก็เอาส่งคืนพระไปหมดเลย <c oughs> อย่างนี้นี่มันก็จะสมกับว่าที่ท่านเล่านิทานมาเรื่องพรานคืนศิลนั่นแหละพรานป่าคนนั้นไปรับศิลจากพระมาแล้วมาบ้านเมียรู้เข้าเมีย ก, ก็ไม่พอใจเลยบอกให้ผัวเอาไปส่งคืนพระผัวก็เอาไปส่งคืนพระก็ฉลาดพอ โอ้สินนี่ของพระพุทธเจ้านู่นจะมาสรงอาตมาได้ยังไงอ่ะต้องเอาไปส่งคืนพระพุทธเจ้านั่นจึงค่อยได้เอาอุบาสกคนนั้นก็เดินทางไปแหละเมื่อพระ บ, บอกให้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นแหละหวังกันก็เดินทางไปเลยไปเจอพวกเปรตเข้าไปหมู่หนึ่งเปรตเหล่านั้นก็ถามไทยว่าอุบาสกคนนั้นจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ก็สั่งความไว้ฮนะเพราะอะไรหนอพวกข้าพเจ้านี้นะท่านวันแปดค่ำสิบห้าค่ำได้อยู่ดีกินดีสนุกสนานร้องลําทำเพลงไม่อดไม่อยากอาหารการกินอะไรก็ได้คันเลยวันพระนั้นไปแล้วเป็นวันธรรมดาแล้วมีตั้งแต่ทุบกันตีกันทะเลวิวาดกัน อาหารการกินก็อดอยากทำไมเป็นอย่างนี้หนอกรรมเวรอะไรวะงั้นขอฝากความนี้ไปกับท่านขอให้ท่านไปทูลถามพระพุทธเจ้าให้ด้วยเ<อ>มือ่อทายคนนั้นไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็นำความพวกเปรตสั่งไปที่ไปทูลถาม พ, ออพออระองค์พระองค์ก็จึงทรงรับสั่งว่าคนเหล่านั้นน่ะตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่ ถึงวันแปดค่ําก็เข้าวัดกันทีนึงไปสมทานศีลถวายอาหารอวินทาบาทแก่พระเจ้าพระสงค์ทันถึงวันสิบห้าค่ำก็เข้าวัดกันทีนึงไปรับศีลฟังธรรมถวายทานนอกจากวันพระแล้ววันนี้ก็พากันไปดื่มเหล้าเมาสุราเมื่อมึอนเมาเข้ามาแล้วก็ชกกันตีกัน หัวหล่างข้างแตกไปไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรไม่ได้รับสาสินเลยวันธรรมดา <_ d ata> นั่นแหละเพราะฉะนั้นเน่ะคนเหล่านั้นตายแล้วมันถึงได้เกิดเป็นเปรตอยู่อย่างนั้นแล้วก็ได้รับความทุกข์แต่เวลาวันแปดค่ำสี่ท่าคำวันนอกนั้นแล้วก็สะเวยทุกข์เพราะว่าทำแต่บาป ก, กรรมนี่เป็นอันแสดงว่า บุญกรรมบาปกรรมนี่มันยุติธรรมเอาซะจริงๆนะเอเมื่อไปทําบุญวันแปดข้ามสิบห้าข้าตายไปบุญมันก็ให้ผลในวันนั้นแหละ ว, วันวันธรรมดาไปทําบาปบาปมันก็ให้ผลมันเป็นอย่างนั้นนะก็ได้รับทุกทนทรมาน <c oughs> นี่แหละคนส่วนมากเท่าที่สังเกตเห็นมาน่ะเป็นอย่างนี้แหละมีศีลมีธรรมแต่เวลาเข้าวัดเท่านั้นเองนะ ออกจากวัดไปแล้วศีลทำเอามออให้พระคืนไปหมดมีแต่ตัวเปล่าๆกลับไปบ้านพร้อมด้วยกิเลสตัณหาสารพัดนั่นแหละเพราะเหตุนั้นมันจึงได้ทําบาปกรรมใส่ตัวเองไว้ไม่สามารถที่จะรักษาศีลให้สม่ําเสมอไปได้ในเรื่องการทําบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี่มันก็มีมาตั้งแต่ ดึกดำบันพนุ่นเละแม้แต่สมัยขัง้งพุฏิเจ้ามาบาังเกิดขึ้นในโลกคนบางพวกบางเหล่าก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักเอาสิ่งของผู้นั้นเป็นของตนไปเล่นชู้โสช้ายอื่นหญิงอื่นถึงเป็นสามีหรือภรรยาของคนอื่นเขา อ, อย่างนี้แหละพูดเทศพูดคำหยาพูดซอเสียเพ้อเจออะไร กันไปอย่างนั้นเนี่ยเดิมเล่าเมาสุรา อ, อย่างนี้นะถึงพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแท้ๆพระองค์ทรงแสดงนธรรมแนะนำสังสอนให้ละเว้นบาปอากุศลเหล่านี้เขาก็ไม่เชื่อไม่ทำตามไม่ว่าจะคนชั้นต่ำไหมคนชั้นสูงเช่นเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ดีเป็นเสนาอำมาตย์หมู่เนี่ย ก็ยังทำบาปเหล่านี้กันมีอยู่นี่แต่เท่าที่สังเกตดูแล้วก็ผู้ที่รับปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่เป็นจำนวนมากนะี่เพราะในครั้งนั้นคนมีบุญมากมาเกิดนี่คนได้ทำบุญกุศลมาเทชาติก่อนนั่นมาเกิดเป็นจำนวนมากเพราะว่าเป็นบริษัทบริวารของพระพุทธเจ้า ได้สร้างบุญบา ร, รมีตามพระโพธิสัตว์มาเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกคนเหล่านั้นก็ได้มาเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อทราบข่าวพระพุทธเจ้บาบังเกิดขึ้นในโลกแล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาเพราะว่านิสัยเก่านะี่ยมันติดมาแต่ชาติก่อนก็เคยเลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าพราะทำประสงค์เป็นที่พึ่งมาเรื่องมันน่ะ แต่คนบางพวกแต่ชาติก่อนนน้นก็ไม่ได้เลื่อมใสในคุณพระรัตนไกรแล้วไม่เคยได้รักษาศีลรักษาก็อย่างว่านั้นแหละได้แต่วันพระวันโกนเท่านั้นเองนอกจากวันเช่นนั้นแล้วก็ไปทำบาปเหมือนเดิมคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นแต่บางพวกเพื่อนก็รักษาศีลห้านี่เป็นนิจศีลไปเลยแล้วก็ไม่เป็นวิชานิ่ิคือไม่นับถือละที่อื่น ไม่นับถือพูดผีปีฉาดแต่ว่าคนที่ยุคหรือว่ากลับกันที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกนี่คนส่วนมากก็นับถือเทวดาอินพรหมเป็นที่พึ่งส่วนน้อยก็นับถือพูดผีปีฉาอเป็นที่พึ่งคนชั้นต่ำนะนั่นแหละก็นับถือ สิ่งที่สมมุติกันว่าศักดิ์สิทธิ์ชั้นต่ำเป็นที่พึ่งที่นับถือที่กราบไหวบูชามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อคนเหล่านั้นได้เกิดมาร่วมศาสนาของผู้เผยเจ้านี่มันก็จึงได้แบ่งเป็นสองพวกนั่นแหละพวกหนึ่งเป็นพวกที่มีความเร่วมสายยิ่งในคุณพระรัตนากรัยพร้อมด้วยศีล อันบริสุทธ์อีกพวกหนึ่งนั่นไม่เลื่อมใสในคุณพระตัตนากรายแล้วก็ไม่รักษาศีลอไม่เชื่อว่าศีล น, นั่นจะพาตนนายพ้นทุกข์ไปได้อย่างนี้คนมันมีอยู่สองในพวกอย่างเนี้ในครั้งผู้โดยเจ้าก็ดีเพราะผู้โเจ้าก็ทรงโปรดเอาไม่ได้หมดเลยเพราะอะไรเนะก็เพราะว่าคนเหล่านั้นมีกิเลสบาปประรำหน า, นานแน่นอยู่ในจิตใจ แม่พระ อ, องค์จะแสดงธรรมให้ฟังอย่างไรมันก็รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ปฏิบัติตามไม่ได้เพราะว่าคำสอนของพระ อ, องค์นี่พระ อ, องค์ไม่ได้สอนให้เพียงแต่แค่บวงสวงอ้อนวอนนี้ทรงสอนให้คนลงมือกระทาเลยสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นโทษก็ทรงสอนให้ละให้เวน้นผู้เชื่อคำสอนของพระ อ, องค์ก็ต้องละเว้นบาปนั้นตามที่พระ อ, องค์เจ้ามัญญัดไว้นี่ คนเหล่านี้เป็นคนมีบุญวัสนาบารมีแก่กล้าได้สร้างมาแต่ชาติก่อนหนนหลังเป็นอย่างนั้นแล้วทรงสอนให้เจริญสมถะวิปัสนาอย่างนี้คนเหล่าใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้ามากมันก็มันก็เจริญได้เลยบางพวกบางคนก็เจริญสมถะทําใจสงบในขณะที่ฟังเทศอยู่นั่นแหละแล้วก็เจริญวิปัสนา พิจารณาสังขาร น, นามรูปตามที่พระองค์เจ้าทรงแนะนําสั่งสอนไปนั่นนะทรงสอนให้ปล่อยให้วางนามรูปนี่อย่าไปถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขางี่เพื่อนก็ทําอุบายแยบคายในใจโปรงวางขันห้าลงได้ในขณะฟังธรรมนั้นก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ตามกําลังวาสนาบารมีของตนนะ บางคนหรือบางพวกก็ได้บรรลุโสดาบันหรือว่าสกิทาคามีอนาคามีตามบุญวัฒนะบารมีของตนบางพวกก็ได้สำเร็จอรหันแล้วก็ขอบวชเลยพวกที่สำเร็จอรหันน่ะพวกสำเร็จโสดาสกิทาคานาคามข้ขอบวชเลยก็มีไม่ได้บวชคลองเลือนก็มี อย่างนั้นมันมันแล้วแต่ผู้ใดได้ตั้งปณิธานความปรารถนามาอย่างไรแต่ชาติก่อนนั่นบางคนก็ตั้งปณิธานว่าได้พบพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้รู้ธรรมของจริงแล้วก็ขอให้ได้บวชอะไรอย่างนี้นะเมื่อได้ตั้งความปรารถนาไว้ยอย่างนี้พอได้ฟังธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าบางบางพวกก็ไม่ทันได้บรรลุมรผลอะไรเลยก็มีความเลื่อมใสยยิ่ง ขอบวชทันทีอะไรก็มี <c oughs> บางพวกก็ได้บรรลุมรคลแล้วจึงขอบวชก็มี <c oughs> นั่นแหละพวกใดที่ไม่มีวาสนาที่จะได้บวชก็กลับไปคลองเลือน <c oughs> แล้วก็ปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา <c oughs> ทมของอุบาสกอุบาสิกาพราะองค์เจ้าก็ทรงแสดงไว้ เส่นอย่างสมบัติของวาสกขห้าประการอย่างนี้แหละหนึ่งประกอบไปด้วยศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมสองมีศีลบริสุทธิ์สามไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นต้นสี่ไม่แสวงหา เขตบุญนอกพระพุทธศาสนาห้าบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนานี่ผู้เป็นอวงวสกก็จะต้องตั้งอยู่ในคุณสมบัติของวสกห้าประการนี้และเว้นจากพิบัติห้าซึ่งตรงกันข้ามกับสมบัตินั้นก็ลองพิจรารณาดูสำหรับผู้เป็นุวาศสวาทิการนะ ว่าเราได้ปฏิบัติตามคุณสมบัติห้าประการนี้แล้วหรื อ, อยังหรือว่าปฏิบัติตามได้เป็นบางข้อบางข้อยังปฏิบัติตามไม่ได้อย่างนี้นะก็ให้พยายามปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นให้ครบทั้งห้าข้อนั้น <c oughs> แต่ข้อสำคัญก็เรื่องเป็นผู้ที่มีศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่แหละ อันนี้สําคัญมากเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อบคุคคลเชื่อลงไปว่าทํากรรมดีกรรมดียอ่อมอํานวยผลให้เป็นสุขอย่างนี้นะแล้วเชื่อว่าบคุคคลเมื่อทํากรรมชั่วใส่ตัวแล้วกรรมชั่วนั้นจกอํานวยผลให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้นะเมื่อได้ความเชื่อมั่นในใจอย่างว่านี้แล้วอันใดเป็นบุญเป็นกุศลก็ลงมือกระทําเลย เรื่องใดเป็นบาปเป็นกรรมก็เว้นเหมนี้นะเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมกรรม่ามอุตสาหวัดดื่มชุราเมรยัยเครื่องดองของเมาของเศรษฐีได้โทษทุกอย่างาเหมือนนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นบาปเป็นโทษอย่างนี้คนผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นอย่างว่านั่นนะมันก็เว้นเลยเว้นจากกรรมชั่วเหล่านี้ละ่ะกลัวว่ากรรมชั่วเหล่านี้มันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ นี่พราะเชื่อตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะเพราะฉะนั้นอย่างว่าคุณสมบัติของอุบาสกวาสิการเนี่ยข้อสําคัญที่แท้ก็คือศรัทธานั่นเองเมื่อศรัทธาความเชื่อมีแล้วก็มีปัญญาประกอบด้วยอย่างนี้นะก็จะเป็นผู้รักษาศินให้บริสุทธิ์ได้แล้วก็จะไม่ถือมงคลตื่นข่าวคืออะไรมงคลเื่นข่านะอ่าข่าว ว่ า, เ, าเจ้าองค์บุญบังเกิดขึ้นที่โน้นที่นี่อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตื่นข่าวกันลังไลกันไปเอาไปเขาหลอกเอาเงินเอาทองไปที่จริงแล้วเจ้าองค์บุญไม่มีมีกับบุญก็แค่นั้นแหละไม่ใช่เป็นผู้ชำระอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากกิจใจไม่มี <c oughs> ธรรมดาท่านผู้บริสุทธิ์มดจด ท่านละอาสวะกิเลส ข, ขาดจากสันดานนะท่านไม่อวดตัวเลยและไม่ยอมให้ใครไปโคดโฆษณาเลยอย่างนี้แหละสุดแล้วแต่ใครจะมองเห็นอเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าผู้มีปัญญาเนี่ยก็จะไม่เชื่อมงคนตื่นข่าวประล้ำประลาไปทั่วเอแล้วข่าวอีกหนึงกับพวกหมอดูหมอเดามาโคษธนาว่าถ้าหากว่ามา ดูชะตาราสีของชีวิตเสียเราจะได้รู้ว่าชีวิตของเรานั้นประกอบอย่างไรทำอย่างไรถึงจะมีความสุขความเจริญได้อย่างนี้นะเขาโคตรย่ายนี่ก็อยากจะมีความสุขความเจริญอยากจะร่ำจะรวยก็เลยไปพึ่งหมอดูให้หมอดูเขาทำนายให้นั่นลืมลืมความเชื่อที่ว่าทำดีได้ดีทาชั่วได้ชัว่วนี่ลืมแล้ว ไม่ได้ใส่ใจเลยอย่างนี้แหละเอาหมอเขาทํานายยังไงก็ต้องลงมือทําตามอ่ะเขาบัตนอยากจเจริญรุ่งเรืองอยากจะรวยนี่บางคนซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็อยากจะถูกหวยรวยเบอร์หรือว่าก่อนซื้อลอตเตอรี่ไปดูหมอซะก่อนให้หมออพิจารณาจะซื้อเลขไหนมันถึงจะถูกอย่างนี้นะเอาหมอเขาจะไปยอมจนยังไงเขาก็ขีดนู้นขีดนี้เข้าไปแล้วเขาก็บอกไป อย่างนั้นหละส่งเดชไปอย่างนั้นเลยอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณาแท้ๆแล้วพระองค์เจ้าสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผล ข, ของกรรมนี่เมื่อตนทำดียมได้รับผลดีมีความสุขความเจริญด้วยลาบยศสนะเสริญความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพราะว่าตนตนทำความดีด้วยกายวาจาใจเว้นจากกรรมมันชั่วมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนักล่าวมานั้นนะเมื่อไม่มีบาปไม่มีกรรมเวียนตามสนองเกิดไปชาตใดก็จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอายุวันณะสุขะประลปฏิพัณฑ์ทนสารสมบัติแหละมีอายุยืนยาวนา ม, มีสติปัญญาเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนพระรเจ้าก็สามาทิจะบรรลุพะลธรรมวิเศษได้ถ้าบุญของตนเพียงพอนะ เป็นอย่างนั้นไอ้ส่วนว่าเขตบุญนอกพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นแจ้งแล้วนักบวชนอกจากสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครที่จะไปทําระอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ไม่มีจะเป็นลือสีสีภัยอะไรก็ตามแหละ ย, ยังไม่สามารถที่จะบรรลุอรหัตอรหันได้เลยเพราะฉะนั้นแหละจึงได้ชื่อว่า เขตบุญเช่นนั้นนะ่ะเป็นเป็นเขตที่ไม่อุดมสมบูรณ์อถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนอย่างที่ดินสําหรับทํานาทําสวนแล้วก็เป็นที่ดินอ่แห้งแล้งไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงต้นไม่ต่างๆเลยดินเป็นดินจืดชืดไม่มีปุ๋ยอเป็นอย่างนั้นแหละแม่บุคคลเปิดปลูกคลื่นอะไรลงไปก็ไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยอืม ชันใดเหมือนกันเนี่ยบุคคลผู้ที่ให้ทานแก่บุคคลผู้ยังเป็นมิจฉาทิสติมีความเห็นผิดเป็นชอบอยู่อย่างเนี้ก็ย่อมไม่มีคุณความดีของผู้รับทานนั้นจะเผื่อแพ่แก่ผู้ให้ได้เลยเพราะว่าคุณความดีเขาไม่มีเขาดําเนินทางผิดไปเกิดความเห็นผิดขึ้นมาอย่างนี้เนะี <c> ่ย <oughs> ดังนั้นจึงได้ทรงแนะนำให้สเสวงหาเขตบุญแต่ในพุทธศาสนาเพราะว่าในพุทธศาสนานี่ท่านผู้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาที่พระศ า, าสดาทรงแสดงไว้นั้นสามารถที่จะทำอาสวัคิเลสให้น้อยเบาบางไปจากจิตใจนั้นมีอยู่มีอยู่มีอ ย, อออยู่ไม่ใช่ไม่มีบางทีท่านก็สามารถที่จะบรรลุมรรคธรรมวิเศษได้ ต่เจ้าจ ะ, สะเสด็จ ด, ดับขันปรณีพ่านมาได้ทั้งสองพันห้าตามอยู่ถึงไม่มากก็เรียกว่ามีอยู่ขอประมาณทีเดียวแหละในยุคปัจจุบันนี่แหลจะเป็นภิกษุสามเณรก็ดีเป็นดวงวสุวาสวาิกาก็ดีก็สนใจปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติกันพระภิกษุสามเณรก็สนใจปฏิบัติ ตามศีลสมาธิปัญญาพยายามบำเพ็ญข้อปฏิบัติสามการนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของตนผู้เป็นทา ย, ยกทา ย, ยิกาก็ตั้งอกตั้งใจออบำเพ็ญทานศีลภาวนาฟังพระธรรมเทศนาอย่างนี้ไปด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษกับพอมีอยู่ในโลกปัจจุบันนี่นะอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นทานที่บุคคลให้ในท่านผู้ปฏิบัติตามคำสอนของผู้ใจเจ้านี่ถึงจะไม่มีผลมากเต็มที่ก็เรียกว่ามีผลพอสมควรเหมือนกับที่ดินซึ่งไม่แห้งแรงเกินประมาณอย่างว่านี่แหละพอมีมีปุ๋ยอยู่บ้างมีรสชาติอยู่บ้างแล้วก็ไม่ไม่ขาดน้าเกินไปพอมีน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้บ้างออย่างเงี้ยถึงจะขาดไปบ้างก็ไม่มากอย่างนี้ ต้นไม้มันก็ยังต้นไม้ที่มีผลมันก็จะงอกงามขึ้นได้ตามกําลังอตามกําลังรสชาติของดินหรือว่ า, าสิ่งที่อํานวยผลให้แก่ต้นไม้นั้น <c oughs> ก็ก็คงเป็นเช่นนั้นแหละการบําเพ็ญบุญกุศลในพุทธศาสนานี่แก่ท่านผู้มีศีลผู้มีธรรมอันดีงามถึงแม้ท่านจะไม่ได้บรรลุเมผลธรรมวิเศษแต่เมื่อท่าน ละบาปอากุศลออกจากจิตใจได้บำเพ็ญแต่กุศลลว้นลวนๆไปอย่างนี้นะมันก็สมควรที่จะเป็นเนื้อนาบุญของโลกได้เหมือนกันนะเหมือนอย่างไรนาล่วนสวนบุคคลก่อนจะปลูกพืชพันธุ์อะไรลงไปก็ต้องจะต้องได้หญ้าถอนหญ้าขุดหัวไม้ไงหัวต่อซสก่อนปรับดินให้เรียบราบแล้ว ก็ถึงปลูกลงไปอ่อาเนี่ยเมื่อปลูกลงไปมันก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำเข้าไปก็งอกงามเจริญขึ้นได้ตามกำลังอย่างว่าอันนี้ฉันใดท่านผู้ประพฤติรมในโลกนี่ก็เรียกว่าเพียรพยายามละกิเลสตัณหาอันเป็นสิ่งที่ทำใจให้มัวหมองเป็นทุกข์นั่นแหละให้เบาบางไปจากกิจใจเหมือนอย่างคนเขาปลูกพืชลงในดินเขาส่ง ปรับดินนั้นให้สะอาดไปเถอะก่อนอย่างนั้นแหละปลูกขึ้ลงไปก็จึงงอกงามได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าพอประมาณได้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละคุณสมบัติของอุบาสกวาสิ ก, กาห้าประการนีน้ผู้เป็นทายุทายิกาควรศึกษาควรจดจำเอาไว้ให้ได้แล้วลงมือประพฤติปฏิบัติตามให้เคร่งครัดทีเดียวแล้วกันว่าเราจะได้ เป็นผู้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลตามกำลังความสามารถของตนของตนดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้